อันความสงบความสงบมันก็จะต้องเกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นมันจะส่งผลให้เย็นมันก็ต้องเย็นความสงบส่งผลให้เบามัน ใจของเราผู้ปฏิบัติสร้างความเย็นให้สร้างความสว่างให้ เหล่าทุกคนเมื่อประสบกับความเบาความเย็นความปลอดโปร่งสว่างลงกายลงจิตความสุขมัน เมื่อมันก็เป็นหนึ่งในอันนั้นทําให้มันก็อยู่ด้วยกันมันนี่เห็นไหมเป็น มันก็ยังให้ผลกับเราถึงขนาดนี้รู้ได้ ในก็บอกไฟฉายหรือฐานนั้นไม่มีไฟแหละนั่นแหละตัวนี้ วิญญาณคือความรู้เป็นธรรมชาติทรงรู้อยู่อย่าง รู้เฉยๆไอ้ที่พวกเรารู้แล้วทุกข์ด้วยในอาการของจิตอาการของความรู้ทุกข์เพราะอำนาจแห่งอุปาทานเชื่อมโยงกับอาการของ เกินสิ่งทําสิ่งพูดสิ่งคิดทุกสิ่งทุกเกินความพอดีที่จะทําให้เกิดความสุขสุขนั่นเกินพอ จริงใหม่คือทุกข์มันก็เกิดขึ้นแม้แต่รับประทานอาหาร เขาเรียกว่าวิญญาณสมมุติชื่อว่าวิญญาณตัวจิตจริงๆคือธาตุวิญญาณธาตุเป็นธรรมชาติธรรมะไม่ตายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับใครเพราะ นี่มลากาลเพราะฉะนั้นที่เราเข้ามาบวดจิตนี่เมื่อเป็นการของ 5 ศีล 8 ศีล 10 227 ก็ระมัดระวังสังวรตาหื้อๆเนี่ย เราพยายามที่จะสึกๆจนเมื่อ นักก็จะห่างไกลจากอาการที่ ไห้จะรับปัสสาวะอย่างคารวาสลูงผมอย่างคารวาสจะไปไหนมาไหนก็เหมือนคารวาสอย่างคารวาส ศาสนาเป็นเครื่องก่อทําคนให้เป็นพระก่อมคนให้ มีในโลกมีที่ไหนศาสนาในโลกมีที่ไหนในนี้คําว่า จึงจะเหมาะสมแก่สมณะแปลว่าผู้สงบบรรพชิตผู้ สาแสดงถึงความเลวสาแสดงและอบรมถ้าเป็นคนก็เป็นคนถ้วนพระถ้วนเนนถ้วน อย่าและหลงดีใจว่าภาพภูมิใจและหลงดีใจว่า เกิดมันก็เป็นอาดีตไปแล้วความฉลาดมันก็เป็นนี่ ให้เราพิจารณาทอดจินนั่นน่ะเราทุกคน ก็เรื่องของโลกไม่มีวิชาในทางโลกไม่มีของพระศาสนาเรื่องของ 14 ค่ําของ 6 เป็นวันสิ้นสุดของผู้ที่ พระพุทธเจ้าปีออกจากทางประสาทหวังจะทรงวิมุตติหลุดพ้นบรรลุ 29,000 30 จน 35 พรรษา สละกามสุขสมบัติมา 6 ปีและวันนี้แหละคือเป็นวันจบลงวันสิ้นสุดวันนี้คือสุด 3 ครั้ง 3 คราตายคืนตายคืนตายฟื้นตาย ก็มาสุดลงวันนี้แหละสุดจริงๆก็คือว่าเลิกฉันวันนี้ว่าครบ 49 วัน และวันนี้แหละเป็นวันที่ 5 6 ปีและก็ 6 ปีติคือวัน 14 ค่ําคือวันนี้ พระองค์ทรงทรมานพระวรกายอดปกยเทความภาคความเพียรเพื่อต้องการความทนทุกข์ตามผิดเป็นกามสุคขนิกานุโยคกัตติกิละมถานุโยค กามสุขานิการนิโยรูปฌาน 4 รูปฌาน 4 สมาบัติ 8 แต่เมื่อเจริญรุ่งเรืองด้วยพสติปัญญา ไม่พ้นสัมผัสจึงจัดสบายดีแต่ทุกข์ยังตามไม่พบ สวนดีกัน 1 กั้นลมวัฏสาสะท่านหนึ่ง 49 วันครบ 49 วันคือ 14 ค่ํา ตัดสินพระไทยไม่เอาแล้วไม่ถูกแล้วจบเรียนวิชาโง่จบแล้วตัดสินพระไทยแล้วไม่เอาแล้วไม่ถูกแล้ว น้ำลมอรรภภาพร่างกายให้มันสดชื่น ไม่ตอนเช้าตลอดทั้งวันแม่ไม่ปรากฏเนรัญชราเท่าไหร่นัก นำธาตุทองคําไปลอยเสี่ยงอธิษฐานแม่น้ําเนรัญชราก็ ลุมพินีวันต้นโพต้นนี้ก็ 36 ปีเท่ากับพระพุทธเจ้านี้ ไม่ปรากฏชัดว่าปรากฏชัดว่าบ่ายนั่นน่ะบ่ายแล้วล่ะแต่สมัย อยู่ในล่วงในวังในลั่วในวังโอ้ยผ้ากำพลราคา หมดเกเรนี่ล่ะพวกเราทั้งหลายวันปี kh 35 ปี แต่ที่ออกมาๆเก็บความโง่จริงๆ6 ปีพิจารณาเอาแล้วก็น่าพิจารณานะในประวัติของพระ สู่ที่คนพาศาสนาพบหรือเจ้า ไม่มีวันไหนที่จะเป็นเครื่องกระตุ้น แต่ปฏิญาณโดยสูญเสียทำลายทำลายอะไรลง ตัวของพระพุทธเจ้าเอง 30 กว่าปี 34 ปีก็แล้วกันก็ปี แล้วนั่งอยู่ภายใต้ต้นว่าตามพระบิดาไปไป ประมาณ 2:00 น. 3:00 น. แล้วร่มเงาต้นว่ายังทรง มัชฌิมาที่แท้ก็อยู่ในตัวของพระองค์แต่นั่นล่ะมาเพราะกรรม ถ้าไม่ปิดคําสอนก็จะไม่สมบูรณ์สมบูรณ์แต่ความรู้ภาคปฏิบัติไม่ปรากฏชัดก็ไม่ถือว่าสมบูรณ์ผิดทางดีและทางเลว มารู้เห็นเต็มตัวสมบูรณ์บริบูรณ์ครบถ้วนกระบวน นี่เราถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาในวันสําคัญมาโดยลับก็ตามก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติ ทั้งนี้ก็เพราะว่าให้ผลโดยตรงแก่ ไปปินิจพิจารณาเลวบสรรปันหรือปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจ เมื่อเราโดยถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งในส่วนนําไปกระทําชั่วควรละความ เดรัจฉานเจริญงอกงามในศาสนาธรรม